س ا م الله ورحمة الله ب ا ل ه ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ف ي ن و ل ئ ا ل ل م ا ل ع ا ل م ي ن وصلوا صلوا ع ل شرف ا ل أ و ل ا ل خ ر ي ن نبينا محمد وعلى ل ه وصحبه ومن تبعهم لا سال ولا ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. อันนี้เราจะใช้เครื่องเสียงใหม่ที่พี่น้องได้บริจาคมาหกหมื่นกว่าบาทในก่อนหน้านี้เสียงก็ดีเนาะแต่ก่อนหน้านี้ในไ่ใช่เครื่องของเส้เสียงของเราเป็นเครื่องเสียงข่าวที่เรายื้มมาอิ้มมาจากบางังฟิมบงังฟิ อุทองซึ่งเครื่องสื่อขึ้นดีกว่านะ่ะเขาเครื่องเส้นแพงลาโพงเขาอย่างเดียก็เป็นแสนแล้วเขาได้ยืนมาขอเราจบทะแหนเขาด้วยนะครับก<อ>็มีปัญหาเครื่องเก่า<อ>ที่เคยใช้มีปัญหาก็เลยยิมเครื่องอบางทีมาใช้ก่อนส่ว น, นวันาคางแล้วก็วนเสาวที่มีบรให ญ, ญ่ แล้วก็เรื่องรายพี่น้องบริักคมาทุนหน้านะครับขึ้นเดียวก็ได้นะพี่น้องบริจาคหกหมุ่กว่าบาทก็เจ้าหน้าที่ของบริษัทนะครับคุณเบลี่ไี้มาจัดการและกำลังทยอยจะทาเครื่องสียงให้กรบทุโทที่มีเรื่องลำโพที่ต้องปรับอีกหนึ่งใช่ปะ ขอเราตัดแทนทุกคนนะครับคนมีบริจาแล้วก็เจานที่พี่นที่มีส่วนร่วทุกคนเอาจะีเครืงเสียงนี้ผมนี่แย่นะไปไปรอดอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าสูรศิลป์มีเป้าประสงค์สาคัญในการตอบใจท่านนบีสุลต่าัมรวมถึงประชาชาติอิสลามด้วยนะในฐานะที่ ไปไห้สัมต้องทําหน้าที่เหมือนนบีในการเผยแพร่คุรานนะก็จะเป็นการปลอบใจนบีและวก็ทุกคนที่เดินตามรอยเทาท่านนบีในการดาว่าเป็นให้ إ س ل ามด้วยคุรานว่าไม่ต้องเศร้าใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องท้อใจจากการปฏิเสธของผู้คนทั้งหลายต่อกุราน ีการในการตอบใจท่านนบิษสลลาอะลัยอุสสลามนี้ก็มีหลายแบบในนั้นก็มีการโตเถียงกับวกมุสลิกียนเรื่องกาปฏิเสธอัลกุรอานในเหตุผลของเขาที่ไดปฏิเสธการต้องมีความคิดเล่ารวงการของพวกผู้ศรัทธาที่ ได้เป็นบรรทัศฐานชีวิตของเขารวมถึง <c oughs> โยอุธาหอมในกลุ่มชนที่ได้ต่อต้านคำสั่งสอนของพระเจ้าและการตดโต้ท่าทีของเขา เหตุผลของเขาในการปฏิเสธคำสั่สอนนั่นหนึ่งในรูปแบบตอบใจท่านนบีสุลต่านอเลอุสัยคือการกล่าวถึงคุณสมบัติของอัลกุรอานคณงานคณงามความดีที่มีอยู่ในอัลกุรอานให้นบีได้เห็นว่าท่านนบีกำลังใช้ในการเทศนาในการเผยแพร่เนี่ย มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนซึ่งรูปแบบการปฏิเสธนบิสซุลลอฮฺอเลยุสสลามีก็เป็นผลกับคนอื่นที่ได้ดาวะไปใช้คุณอ่านในการดาวะและเจอในสิ่งที่นบิสซุลลอฮฺอเลยุสสลามีความท้อแท้ต่อการปฏิเสธ ทุกคนในคำสั่งสอนของพระเจ้าและในสุลยูนุสทั้งดอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าจะมีบางช่วงบางไงะที่ตรงกับเป้าประสงค์นี้คือการกล่าวถึงอะไรที่ทำให้ท่านดีมีกำลังใจทาให้ผู้ศรัทธาดีมีกำลังใจ และกำลังใจเนี uno, like ่ยมาจากตัวกุทธานคุณสมบัติของกุทธานและคุณค่าที่มีในกุทธานเรื่องนี้สาคัญมากผมบอกว่าโซรูนัสนทั้งหมดจะมีสองสามอยนเนี่ยไอที่ผ่านไปแล้วอายันหนึ่งายันี้ไอ้อายันห่ต่อไปก็คือห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปผมมองว่ามันเป็นหัวกระทิของโซลาร์จูนัส แล้วคนที่จะใช้เวลาในการเข้าใจและได้ถึงแก่นแท้ถึงเนื้อหาสำคัญของอริยนิพานจะมีประโยชน์มากมายสำหรับการศึกษาเรียนรู้สูร่ระลุถ้าเราต้องการผลสำเริจในการเข้าใจ เนื้อหาของสุรัตยูรุษที่มีความสำคัญคำด่าที่ปาฏิเบลล่าจะีะดมถึงคุณสมบัติีประกาในอายะห้าดที่เราสุขนุตาเราได้กล่าว้ดั่อนี้บัด أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم م و ع ة من ربكم وشفاء لمن ص د ر وهدى ورحمة للمؤمنين มนุษย์ทั้งหลายเอ่ยแท้จริงข้อจักเตือนเพื่อนผู้อ่านนี้จากพระเจ้าของพวกท่านได้มายังพวกท่านแล้วนี่หนึ่งมารวิที่มายังนพวกท่านนิ่งมารในจงร์ในองค์เล็เคพวกก็อันกุ็อันนี้เป็นมารวิวะอุ่นและมันมันนมมานุวัติผูอ่านใช มันีเป็ e ่สถานามที่ไม่ค่อยสวยนั่นแต่ในพิธีการบางท่านนี่ยเขาบอกว่าภาษาไทยนี่สถานามนี่มีสถานามทั่วไปแล้วก็สถานามราชาักดไอสถานามราชานี่มันกล่าวถึงบุคคลที่มีความสําคัญแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ราชาศัก์เนี่ยก็สามัญชนทั่วไปนี่ สิ่งทั่วไป น, นะก็จะใช้สรรพนามเนี่ยถ้ามั้ถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีชีวิตนี่นะก็มันใช่ไหมซึ่งในภาษาหรับเนี้ยในแยะของสรรพนามเนี่ยมันไม่มีสิ่งเหนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นถ้าเป็ น, ปนสรรพนามเดียวกับบุคคลที่สาม แตนามบุคคลที่สมเนี่ยสามารถใช้สภานามถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วยสภานามของสิ่งที่มีชีวิตได้มันจะเหมือนกันเท่าเทียมกันและในภาษาอับดีไม่มีสภานามที่เป็นภาษาศัพท์ไม่มีเหมือนกันพระเจ้ากับมนุษย์มีสภานามเหมือนกันมันก็จะไม่รู้สึกถึงข้อแตกต่าง ว่มีสูงมีต่ำแต่ในภาษาไทยเนี่ยเวลาเราพูดแค่ใช้สพนานเราก็รู้ละว่าวมีวันนะมีมีอะไรสูงมีอะไรไม่สูงแล้วคนนี้ในภาษาเราและภาษาไทยเนี่ยมีนักดิชะการท่านหนึ่งนักดูชะการหนึ่งหลายท่านนะะกุณอ่านกุณอ่านนะกุณอ่านนี่ที่มีชีวิตมีแต่ชีวิตชีวามีแต่การให้ชีวิตเนี่ย พอไปเรียกมันอนีเร <greg> <whole matter> <ley> ียกมันได้จะได้คือจะมาดิ้นดป็นภาษานี่มันมันมันมันไม่มีทางรอกนักนอกจากว่าจะบันเนียบสักใหม่เลยจะบัญเยียบสรพนามอะรจะอันนี้จะมาทำข้อตกลงกันว่าถ้าพูดถึงคุณอ่านนะนะก็ใช้สรพนามของบุคคลที่มีชนิดไปเลย และท่านเป็นการบำบัดท่านนี่ก็คือคุรานนะนะโดยอ้างถึงคุรานว่าเป็นเจลามอลพรและเป็นสิฟัตเป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระและไมิใชาอัติดนี่อุลามาฮ์บอกว่าซิฟ i f a t u da' al m a u so สิฟัตเงินก็คือสิ่งเดียวกับเจ้าของสิฟัตเจ้าของคุณลักษณะคืออันเดียวกันน่ะแต่กุณอ่านนี่เป็นคุณลักษณะอัลลอฮ์เป็นสิฟัตอัลลอฮ์ก็คือหมายีึงคุณอ่านี่ก็คืออัลลอฮ์และด้วยเหตุผลในเวลาเราสาบานด้วยกุณอ่านสามารถสาบานได้เพราะอะไรเพราะคุณอ่านนี่เป็นส่วนของอัลลอฮ์ก็เท่ากับเราสาบานด้วยกุณอ่านสาบานด้วยอัมบาร์นั่นเอง เั้ถ้าจะมาทำข้อตกลงกันว่าไอ้เียเรียกกุณอ่านมันได้ไหมแต่นี้ต้องคุยกันระดับมหาชนน่ะมันคุยคุยคุยเรื่องโดยใคร่เขียนอะรเเขียนบทความไม่เขียนโพสนึงและและเราจะปฏิเสธท่านไม่ได้ท่านนี่คือะไรุอ่านหู่วงเป็นั้มปรนะเทศเลยย และพวกเราจะปฏิเสธท่านไม่ได้นะท่านคือใครคุรานจะพากันงงนะจนกว่าจะได้มีมติชนอาจจะมติชนนะจนกว่าจะมีมติชนว่ามติชนว่าใช้ได้เหมือนบ้านเรานี่มาลายูมาลายูลยสยามแผ่นดินเนี่ย สามจังหวัดเนี่ยเขายังใช้คำว่าตูหันตูหันกล่าวถึงอั ล, ลอเฮ้ยเรื่องนิองนิตุหันมันไม่ได้อะไรเงี้ยตุหันหมายถึงอัลลอฮ์ไม่ได้เพร า, าลละไม่อเมริกมาเลเซียอินโดนีเขาไม่ใช่ส่วนมาก น, นะเขาไม่ใช้แล้วเขาอ้างว่าคำว่าตูหันเนี่ยเป็นพระเป็นเป็นนามของ เป็นนามของพระเจ้าทางศาสนาฮินดูเนี่ยเามาลายูเนี่ยเขาเรยกันตูหันและพอมาลนยูนี่ยเขามารับอิสลาม น, นี่เขาก็ยืนนามของพระเจ้าฮินดูเนี่นยมาใช้กับนามพระนามของอันนลลอฮ์เนี่ยแทนที่จะอัลลอฮ์เนี่ยว่าตูหันคล้ายๆเสมอเนี่ยก็ not ไม่กาสิบก็เป็นอัลลอฮ์นี่มีไหมกอดมีไหมไม่มีลอบมีไหมไม่ลาบไม่ลาบมีไมไม่มีแต่ฝรังนี่เขาใช้กันล่าสุดมีนกบชาการปฏิยดีโรบไลปฏิยด์นะโดยเฉพาะี่เฉพาะสังกฤษเนี่ยใช้ลาบใช้กอดเนี่ยเพราะ่ในคนอ่านเนี่ยไม่ควรที่จะแปลอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์นี่มาแปลว่าเป็นกอด ทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์นี่คือพระนามแท้ของมลุษย์แต่ก้อนนี่ไม่ใช่ก้อนนี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นนามในภาษาสืบเนื่องจากหลายภาษาคือคืองอกงอกงอกกันมานะภาษาอังกฤษนี่งอกมาจากละตินละตินงอกมาจากหลายภาษาแต่อัลลอฮนี่ในแต่ละภาษานี่มีรากศัพท์เดียวกัน อย่างเช่นภาษาฮิบรูก็อินอีนภาษาอารมีภาษาสุริยานีก็คล้ายๆกันอีนเหมือนกันอีนอัลลอฮ์ย่ายรากสักท์ีมันคล้ายๆกันเขากว่าไม่ควรที่จะแปลคำว่าอัลลอฮนี่มาแปลว่ามามาแปลว่า god และเดี๋นี้ส่วนมากนะครับ คำแปลภาษาอังกฤษก็จะไม่ค่อยใช้กันละคือใช้กอแต่นะแต่ถ้าจะแปลคำว่าอัลลอ์นี่ทับสองเลรวมถึงคำศัพท์ด้านนิติศาสตร์ที่มันไม่ควรเลือกคำศัพท์อื่นอย่างเช่นโซลฝาเพรัะอะไรดิโนโซล่าจะิสลาปเลยนะเรนี่ไมมีโซลาจะก้ น, น ทับศัพท์เลยบางองนี้ก็ทำได้นะอย่างเช่นเสการเการี่เราทับศัพท uh, ์นะกานี่ยังอื่นตันสฟนี่นะยังเนี่ยอินดูีอินีะอินดรอนนนมานมานมามาละมา มาจช็คสันสกฤตนมาสเด칸รักสมเดียกันทั้งนร้่อีความหมายของคํำว่าศาลานี่มันลึกซึ้งกว่าละมาทั้งหมดนี้อันนี้อันนี้เราศึกษาเรียนรู้ที่บริที่มาของคําสัพท์แล้วก็ให้น้ําหนักให้น้ําหนักถึงความสุวิงามว่าอันไหนสวยงาแต่ไม่ได้หมายว่าเราใช้ไม่ได้เนี่ยใช้ไม่ใช่นะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราค่อยๆเปลี่ยนได้เนี่ย วังว่ารุ่นลูกรุ่นหลานนี่ยเวลาจะมาใช้คําศัพท์ด้านนิติศาสตร์อิสลามนี่มันก็จะกลายเป็นเป็นภาษาตามภาษาคุตัานไปเลยและนี่เป็นจุดเปลี่ยนของผู้ศรัทธาที่ได้มาจากอัลกุรอานไม่ได้เปลี่ยนเรื่องอุดมการณเรื่องความคิดให้สอดคล้องกับอุดมการณ์และแนวทางของคุตัานอย่างเดียวแล้วรวมถึงคําศัพท์ด้วยอ่านคุตัานบ่อยนี่นะ ทำให้คำศัพท์ของผูอ่านเนันได้ซึมซับไปในพุชนานุกรมที่มีอยู่ในสมองในความทรงจำของเราและมาแลกเปลี่ยนคําศัพท์ที่ผุ้อ่านใช้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้เอาแล้วจะมีคําศัพท์ที่มันนิยมใช้กันมากกว่าในสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอิทธิพของผุ้อ่านเนี่ยย่อเหนือนกว่าอิทธิพของสังคมที่ใช้คําศัพท์บงางคำศัพท์ และมันจะแสดงถึงอิทธิบลของคุกอา่านตัอชีวิตของเรามากขึ้นทั้งหมดนี้จะมาจากคำว่ามันใช้ดีกว่านะใช้ดีกว่ทนดปกันแต่ผมไปดูแ ล, แล้วหลายหลายเรื่องความหมายคุกอา่านนี้ก็ใช้กันทั้งเรงี้ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยพอใจแต่เขาก็ใช้กันเพราะยังเลี่ยงไม่ได้มันเป็นข้อจากัดของภาษา ไม่ได้ว่าเราจงใจที่จะดูถูกุร์อาน์มไม่ใช่แต่ถาว่ามันถึงท่านดูถูกเหรอเปรียบคุรอาร์มันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูดูถูกุร์อานโดยจงใจเหรอนะโดยจ้งใจแต่ใช้คาศัพท์ทั่วไปกับ่ยวกับคุรอานทั้งดังดีในภาษาที่เราใช้เนี่ยมันมีคําศัพท์เฉพาะยกง้อ บางสิ่งบางอย่างบางคนอย่างเช่นในเวลาเราพูดถึงพระเจ้าอย่างนี้พูดถึงอัลลอฮ์และใช้สปรพนามเนี่ยเราจะเราจะเรียกอัาลอฮ์เขเราจะเรียกอัาลอฮ์เขอัลลอฮ์ได้บอกว่าอย่างนี้แล um> uh ้วเขาบอกอย่างนี้โอ้มันมันจะ ทุกคนที zos, so, like involved, Peter, ah, ่เป็นคนไทยอนะที่ใช้ภาษาไทยนะก็จะรู้สึกสะุดสะุกนิดนึงผิดไหมมันไผิดเพราะในภาษาเราเต็นนี้แหละภาษาอังกฤษที่ไม่มีอะไรจะเป็นนี้แหละแต่คนนี้เขาใช้ภาษาที่มันแย่กันไงนี่ขนาดผู้ถึงผู้ใหญ่นะเรายังมีท่านเลยผู้หญิงผู้ใหญ่ก็ท่านมาแล้วนี่ท่านระวังจะท่านพูดอะไเนี้ย จะไม่ใช้เขากับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหปีปีตำหนิใช่มแต่แล้วก็จะเหนือกว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ต้องมีพระองค์แหละแต่ต้องมีพระองค์ตรงโ้ตร ง, งมีคําศัพท์เฉพาะอันนี้ขณะที่ภาษานี่มันเอื้อแต่ทำไมพอเราพถึงคุรานเนี่ยเราไม่มีคําศัพท์เฉพาะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกุราน แล้วมันมีเรื่นดียสิครับคบกันนะนะว่ากุฎอ่านไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเรียกมันนเองเหตุผลนะนะกุฎอ่านไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีชีวิตถึงจะเรียกมันกุอ่านไม่ใสิ่งที่มีชีวิตเพราะเป็นศิฟลอุณะะนะของอัลลอฮฺ سبحانه และได้มาเรื่องแรกคือมอวิซาะคุณสมบัติแรกคืมวเป็นข้อเตือน เร่งที่สองนี่อัลกุรอานนี่เป็นการบำบัดชีวะวาชีวะอุ่นนี่มาฟิกสุดรในสิ่งที่มีอยู่ในสมองในหัวใจของเราวุ่ดาสามและเป็นการชี้แนวทางอุดาเป็นการชี้แนวทางชี้นวทางอยู่แล้วเป็นริจการแล้วทำไมก็แต่ คำว่าฮูดาในภาษาอันีฤษเป็นนามถ้าไม่แปลามาเป็นกริยาชีชีเป็นการชี้นะทานคือเคยอธิบายก่อนหน้านี้เนี่ยมาพูดอีกครั้งหนึ่งเผื่อพี่น้องที่ยังไม่เคยไม่ยินเรื่องนี้ความหมายอันอุตรอานฉบับฉบับสมาคมได้เรียนคำอัลละห์อันนี้ซึ่สมาคมเขาอะนะ ก็คือสสถาบันประเทศอาหรับนใชมสถาบันนักเรียนสมาคมนักเรียนชาวอาหรับแสดงว่าที่จบมาท่นี่หมดสิทิะแต่เขาอย่างนี้มั้งคุณพ่อผมนี่เคยเป็นเป็นเปนายกเขาไม่ ทำความหมายคุอ่านเนี่ยเพราะตอนนั้นน่ะมันมีคนที่มาปลุกกระแสในประเทศไทยว่า้วหมายคุณอ่านของอาจารย์เดเร็กกุลและเซริสวาตอาจารย์นิบรัฐิมกูริชีเนี่ยซึ่งแกได้ทําแล้วก็พิมพ์เสร็จกอนของนักเรียนกออานเนี่ยมันมีค่านิยมในสายคุมุสลิมเนี่ยว่ของอาจารย์นิบริมกูริชีเนี่ยเป็นความหมายคุณอ่านที่แปรมาจากกอเดียนี ซึ่งมันไม่ใช่นีไยก็มีเชื่ออยู่กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนักเรียกับอราบิกับกลุ่มบางกลุ่มเขาก็ได้มีนโยบายว่าแสดงว่าถ้าเราจะทาความหมายบุรอ่านเนี่ยจะต้องไม่เหมือนเรียนปริซีไม่เหมือนของอาจารย์ดีอาจารย์ดิเรกเนี่ยถ้าคขาบอกฮีเดียฮูดานี่นะเขาจะใช้คำว่าทางนำตลอดถ้าเราไปอ่านดูนะ ที่ใดยะอุดะยะดีให้ทางหนึ่งทางหนึ่งซึ่งมันเป็นคําที่เหมาะกว่าสวยกว่าตรงกว่าแต่ถ้าจะไปแปลเหมือนเขาอะะมันก็จะเหมือนเขาสิมันจะเหมือนทเรื่องเลยอะนะดีเลยจะแปลคำว่ารบรับนะรบบูโฮมิ่งระผู้อภิบาล ตลอดประบวนกา ร, รของเราเวอร์เนียนของเขาระบุมพระผู้อภิบาลในกรณีว่เราไม่เปลี่ยนเงินยกเลิกพระผู้อภิบาลเพราะอาจารย์นี่บริเวณนี้เป็นเป็นผู้บัญญัติคำศัพท์นี้คนแรกเป็นคนใช้คนแรกแล้วก็นิยมใช้กันทั่วประเทศถ้าเขามาใช้เหมื อ, อ, อกกเเนเขาก็เดี๋ยวเขาก็เดินก็อหาว่านี่ทําความหมายพุทธานไม่รอดของเขามา ก็เลยไมมีนโยบายว่าอะไรที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะของอาจารย์นีบรายีนเนี่ยก็อย่าอาทำเหมือนเขาเลยฉะนั้นของอาจาย์นิบรายินพระกูดาเนี่ยก็คือทางนำถ้าเป็นของนักเรียนแต่อาลับเนี่ยอะไรที่เป็นกูดานีนะชีแม็คแมนอะไรแนี้ซึ่งจะเทียบแล้วระหว่างคำว่ากูดาทางนำกูดาชีแมนั่นนะแน่นอนทางนำมีมนสุกว่า สุด่ะอันนี้พูดเป็นนี้ทั้งทั้งที่นักเรียนกับอดัมเนี่ยความบริสุทอดัมเนี่ยี่สิบยูสที่ทาในสิ่ขพ่อขอพ่อพ่อนสิบยูสแรกนี่อาจารย์ได้รับแต่คณพ่อผมนี้ก็พูดกับผมตลอด พอผมทัน ท, Styles, ท, ท, Diamond, ท, ท, ay, ท in, ี่ท่านท่านทางานทาความหมากุรอฮานี่แลามยกุระท่านก็จะยุบย่อแล้ก็ื่ชมอาจารย์นิบว่บอกภาษาเขดีมกเขียนก่งมากและภาษาเขาดีมากแต่เนื่องจากค่านิยมตอนนั้นน่ะนะมันเป็นกระแสกดดันในมุชการ ได้ม so ีอคติต่ออาจารย์นิบริหิมกุเรชีแต่เดี๋นี้ไม่มีละทำยังเรื่องนมัเบาไปเยอ่เห็นมหาสู่กันแล้วหางินไปช่วันก็เป็นที่แล้วนะไม่มีละใครที่เ่าไปยปีกันเ่าไปแล้วะาดูีดนเียงก็เนยไม่มีละ มีผีใหม่แล้วมีผีขวันทุกยุคนี้ก็มีผีของมันคนจะได้มีของเล่นของสนุกไปเรื่อยๆกำลังนับนะครับมาวายโซฮินสองซชิฟะบัมบักสามฮุดาเป็นการชีแนะชีนะทางนะรัชมาตุ และเป็นความเมตตาแก่วรรดาผู้สัทธามรอ้เ่องทีเราพูดเล่าระดับหนึ่งมาไอ้เ่อทีอ่จะข้อตักเตือ น, นซึ่งสิ่งแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องการก่อนที่จะ เริ่มเริ่มมีการขึ้นไหวในการพัฒนาชีวิตเนี่ยก่อนที่จะประดับประดาชีวิตตัวเองด้วยคุณงามความดีต่างๆเนี่ยมรุษทุกคนต้องการชำระมุลทินและมนุษไม่สามารถชำระมูลทินของตัวเองได้ หากมีนิสัยมีการมลสังดานของคนที่ไม่เอาไหนของคนที่เพิกเฉยไม่มีความยมเกรงไม่มีความเกรงใจจะได้ชำระมนทินที่ตัวเองมีเนี่ยอย่าง น, อ น, น้อยก็ต้องมีพื้นฐานแห่งความเกรงใจ เกเรใจจะเกิดขึ้นในเมื่อมีข้อเตือนให้มนุษย์เนื่ยมีความระแวงมีความกลัวฉะนั้นมานีบรรดาอัลมะห์จะเสี่ยงใเขาอธิบายว่าอัลโมฮิญะฮิยะจ้วงจินสิ่งที่ปราบปรามหมายถึงว่าคำสั่งสอนที้จะปราบพราม สิ่งที่จะตักเตือนด้วงคำศัพท์ที่คมคูให้เกิดความกลัวความเย็นเกรงจะได้เลิกสิ่งโสงมุโสโครกต่างๆเทียบนล้าเหมือนคนที่จะอาบน้ำถูสบูเสร็จแล้วเช็ดตัวใส่น้ำหอม แต่ตอนนี้จะอาบน้านี่น่าจะนี่เละไปหมดเลยขี่เต็กขี้ไก่ี่ตัวเองคิดเต็มไปหมดเลยคิดว่ามีใครจะเอาสบู่นี่มาถูตัวนี่พร้อมกับอุจระกับสิ่งโสโครกนี้ไหมมีใครจะทำแบบนี้ไหมไม่มีสิ่งแรกที่เราต้องทํานี่ก็คือชำระมูลทินงชำระในกระสอไปก่อน เขาบอกว่ามันเป็นความสโครบกที่มันหนาแน่นนะอะนนเาต้องต้องขัดให้เกลีย้ยงแล้วถ้าสิ่งสโครบนี้มันเยอล่ะก็ต้องขัดให้แรงหน่อยท่าในอาจารย์แทนี่มันติดเนี่ยถ้าสิ่งสตโตกนี้มันติดผิวอะแล้วมันต้องถูต้องถูหามันติดอีกอะถูอีกแต่มันติดนูนมันติดมั่งถูสุดขูดเลย มันยีงมี่ยคือที่ต้องเอาออกให้ได้เพออราะมันล้งมุ้ยสแตมสบู่แล้วสบู่แล้วจะยังมีกินเหม็นแบบนี้มไม่ได้ทําไม่ได้และถูสบูแ่แล้วเนี่ยถ้ามันแห้งไม่ยังมงมันจะมาใส่น้ำหอมอ่ะมันจะเป็นกินอะไรอะ่ะกินน้ำหอมมาปนกับกินเ น, นืะอันมันทําได้ไงอะ่ะที่นี่มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยที่ ที่มีความรักต่อความสะอาดอยู่แล้วเช็คชิ้นที่มนุษย์เกิดมาพร้อมสิตธิ์รอกก็คือธรรมชาติของความศรัทธาต่อพระเจา้าจริงไม่แปลว่านบีบอกว่าอัตตูรุชตรูอิมา ก, การชำระทําความสะอาดนี้ขึ้นหนึ่งรูส่วนหนึ่งของอิมาแต่คือส่วนหนึ่งของสัญชาติญาธรรมชาติ คนที่รักษาความสะอาดนี่คือคนที่คนที่ตามธรรมต้องธรรมชาติมนุษย์ที่อยู่ด้วยความสกปรกไม่อยากไม่อยากล้างตัวไม่อยากอาบน้ำนันผิดาตผิดปกติเช่นเดียวกันความสกปรกนี้มันเป็นรูปธรรมสิ่งสกปกนะจ๊ะซักรูปธรรมแล้วก็มีสิ่งสกปรกที่เป็นนามธรรม บากมุนท so, ิมต่างเริ่มต yeah. mm ้นชีวิตเนี่ยกุรอ่านนี่จะมีหน้าที่สำคัญในการล้างความโสโครกของพวกเราและถ้าเราจะตรวจสอบอิทธิพลของกุรอ่านที่มันสนิทผลในการในการก่อสร้างความเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาให้เกิดขึ้นนี่นะเราต้องตรวจสอบผลงานแย่ของคุณอ่านเนี่ยเป็นเอรยอกับเรามากน้อแค่ไหน สามารถที่จะขยับตัวเราเนี่ยให้ล้ามงมนทินเห้ล้างสิ่งโสโครกมากได้แค่ไหนก็นี่คือนี่คือตัวชี้วัดสําคัญอัเนี้ยคนดิุกคีกับกูอ่านทองจํากุูอ่านเรียนรู้กุูอ่านแต่สิ่งโสโครกโ ส, โสโสมนีที่กูอา่านเข้าเต็มไปนิเต็มไปหมดเลยมีเต็มไปได้ คนไ้เรียนรู้คุตอาน์ศึกษาคุตอานมีความโสโครกเป็นบางครั้างบางข้าวเป็นชั่วข้าวทําแล้วก็เน่าทำแล้วก็ต้องมตุ๋วทำละทําแล้วก็เสียใจทําแล้วก็ลวกลับเน่ากลับตัวอันนี้มีเป็นไปได้แต่จะคุกคีกับสิ่งโสโครกตลอดชีวิต น, นี้และไม่มีวันคิดไม่มีวันเวลาที่คิดจะกลับเน่ากลับตัวจะเปลีป่ยนแปลงตัวเองไมื่อได้คุตอานจะไม่อยู่กับสิ่งโสโครกไม่ได้ กุรานเปรียบเสมือนวิญญาณข้าว่าเียกุรานนั้นไม่ไม่นามคุรานีรูหานิ وكذلك อัน زلنا إليك روح من أمرنا คุรานเป็นรูห์เป็นวิญญาณเราคือวิญญาณถ้าคุรานีมาอยู่ในตัวเรา ในการอ่านศึกษาท่องจําแสดงว่าเรามีวิญญาณอยู่ในดวงวิญญาณของเราทีหนึ่งวิญญาณของกุรอ่านน่ะอยู่ในวิญญาณของเราวิญญาณของกุรอ่านนี่สะอาดเสมอแต่วิญญาณของเราหนีมีมีทุกอย่างถ้าจะให้กุรอ่านสถิตอยู่ในดวงวิญญาณของเรา อย่างจนที่ให้กุฎอ่านนี้สามารถที่จะครอบนำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี่สามารถเราต้องชําระสิ่งแรกเลยสอย่างต่อมานี่ไม่เคยสําคัญเท่ากับเรื่องนี้ข้อเตือนของกุฎอ่านนี่เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะปราบรามมิให้ผู้ศรัทธาคนนี้กุณเรียนคุอ่านอ่านกุฎอ่านศึกษากุฎอ่านเลื่อมใสในกุฎอ่านให้กุฎอ่านเป็นทางนําชีวิตเนี่ย ต้องได้ข้อเตือนจากันกวราเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับสำหรับคนที่ทำบาปมีมลทินคิดจะกับเนื้อกับตัวคนคนที่ทำบาปเนี่ยแล้วก็จะตาองแบตัวกับเนื้อกับตัวสิ่งแรกที่เขาคิดว่ามันจะช่วยให้ล้างล้างผลละบาปเพิ่มผลละบุญ เสริมสร้างกำลังใจให้ยินหยัดในแนวทางที่จะหางไกล้จัดบาปและมลทนินนั้นๆน่ะาจากอุปการจึงเห็นมาตลอดชีวิต น, นะครับเยาวชนในเวลาทำบาปแล้วสิ่งแรกที่เขาจะคิดทำรู้จากอุปกาอ่ะ ไปหาดูส ah An ิเขาอ่านฮารลอก็อก็อานกัอนก็อ่านเลยตั้งอ่านกูอมันจะมีผลที่รวดเร็วมื่อเร็วที่สุดเลยใจเห็นผลทันทีเลยนะว่าไอ้ที่กะไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันหนักใจเหลือเกินจากบาปที่เราได้ทําเนี่ยกูอ่านจะทําให้เรานี่รู้สึกสบายใจรู้สึกมีความหนักแน่น รู้สึกว่าเราสามารถที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราแล้วไม่ได้แบบมีความเศร้าใจและก็หมกวนอยู่กับเรื่องบาปอดีตตลอดนะไหมพุทธันจะเพิ่มกําลังใจแล้วก็ผักมาให้เราก้าวหน้าไปอีกทิ้งอะไรทิ้งบาปนั่นและก็ก้าวหน้าไปทําความดีมากกว่าเดิมอุลามะที่เด่นบอกว่าเมื่อไรวะนี้เปรวฮาวจซาวาจ์ เป็นพวกรถเอฟขับของมันไม่ใจรักใจรักนี่เป็นว่าสิ่งที่สิ่งที่คงคูคงคูไม่ให้ทำคงคูว่าอย่าทำนะทำแล้วก็ลงโทษอย่างง m ้ m i ิ i ซึ่งบาปใน i ุณอัลเจ้าสุภาโนอาตาแหละได้เตือนไม่ท i ก็มักจะมีเรื่องนี้เตือน เตือนใ้กวห ل อกว่าอย ك ่เข้าวิฟ ه คุณลอกรักนะสัตว์อัลลอฮ์เตือนพวกเจ้าให้กลัวพระองค์ท่านเรื่องให้กลัวนรกอั ا ตักุลนาอัลเลติอ ا อิดดะิลคาริจงกลรกที่อัลอตรียมวสมรับูปฏิเสสทาเตนวันกียมที่จะกลับไปหา วัตกุยามันตูรจะอยู่ในฟิลิปปินส์เราจงยังเคร่งงกลัววันที่จะต้องกลับไปหาพ่อคุณมีทั้งหมดเนี่ยเป็นการเตือนเตือ น, น, นละก็ดุด ค, คม ค, มคมูให้มีสิ่งที่น่ากลัวที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมันมีมันมีความกลัวที่ทําให้เราเนี่ยสามารถหา่างไกลจากสิ่งเจ้ามหาม และอย่างที่บอกถ้าเราได้ทำบาปไปแล้วเงื่อนไขในการเตบักตัวนี้คือเสียใจแต่เสียใจที่เป็นเงื่อนไขของการกลับเนื้อกลับตัวคือการเสียใจที่จะทำให้มีกำลังใจทำความดีต่อไป ไม่ใช่ความเสียใจที่จะทําให้เราเนี่ยหมกอุ้นอยู่กับความสิ้นเชื่อของบาปถ้าเราเสียใจที่ทําบาปชนิดที่มัวแต่เสียใจอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรเลยเสียใจทำบาปเอาลุกขึ้นแล้วมาดีไม่ไม่ผมเป็นเสียใจอยู่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เข้าใจแล้วคาว่าอันนดั้เสียใจต่อบาปนี่ไม่เข้าใจแล้วแปลว่า ไม่ใช่และอันนี้เป็นโรคลาโรคซึมเศร้าจริงด้วยถึงบอกว่าความเสียใจนี่ในอิสลามมีประโยชน์เพราะมันสอดคล้องกับธรรมชาติที่มนุษย์ต้องมีมนุต้องมีต้องมีดีใจต้องมีเสียใจต้องมีหัวเราะต้องมีร้องไห้มนุษย์ที่หัวเราะตลอดชีวิตอย่างเดียวเขามองุ่งไปไม่ปกติมนุษย์ที่ร้องไห้อย่างเดียวตลอดชีวิตไม่ปกติแต่ไอ้มนุษย์ที่ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้เนี่ยคนปกติแบบนี้ ปกติก็มีหมดทั้นลองท้อยทั้งหัวเนาะอยู่อยู่อยู่ปานกลางนม่นี่คือสภาพปกติของมันถ้าเสียใจยแล้วการเสียใจยทำให้เรารู้สึกว่าข้อผิดพลาดควรที่จะทำให้เรานช่วยโอกาสแนวนาคตว่าอย่าไปพลาดอีกทีนึงนวก็ต้อง ทำให้ดีกว่าเดิมต้องมีเกลี้ยงอย่าพาอีกทีนึงนั่นะนั่นแหะคือความเสียใจที่มันแสดเสียใจที่สั่งสรรเสียใจที่สั่งสงเคยไปล่วงเกินคนที่มีพระคุณกับเราคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์คนที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยเเคยไปล่วงเกินพาดเขา เสียใจอ่ะเสียใจแล้วทํายังไงอย่าทําเหมือนคนบางคนนะนะเอาไปล่วงเกินล่วงเกินคนอื่นเอาไปขอมอาปขอดีแม้ว่าทำไม่ตัวเองเก็ยอมรับว่าผิดพลาดแต่ขเขายอมรับว่าผิดพลาดแล้วทำไมไม่ไปไม่ไปวามอัปเขาล่ะทํานะทไมไม่ไปแก้ตัวล่ะแม้ว่าอายไอ้คนดี ยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาดของเขาอะนะแสดงว่าการเสียใจของเขาเนี่ยมันมีปนกับปนกับความแยโสอาจจะมีนิดหนึ่งอนะจ ะ, จะอาจจะพอสมควรอะพอสมควรไม่กล้าขอมาครับ ก้าในเมืดน่วงเกินคนอื่นแต่จะขอมามอาคนอื่นเขานี่นไหมครับเชียรเช่นดิกลาทำบาปต่อทุหันแต่การที่จะยอมรับกับตัวเองและทำในสิ่งที่มันสวนทางกับสิ่งเหล่านี้ไม่ทำอย่างเช่นตอมเกเนะตอมสนนะนะเป็นหวนัวหน้าแกนขับมอัตอร์ไซทีหนึ่งนะนะ ตามมาเนี enfin ่ยล the oh, ูกจ้าของเขาเนี่ยเป็นร้อยคันเลยสวนป้อมตํารวจนี่ไม่ไม่กลัวใครเลยตอนตอนตอนตอนซนน่ะตอนสนแล้วก็วันดี้คืนดีนี่เนี่บอกด้วยแต่ก่อนนู้นน่ะก็จี้ใต่น่ะะโอ้โหยกสถาบันเนี่ยึันเอ๊ะมันดูถูกเรายกสถาบันนี้ระเบิดนี้ปืนด้วยยิ่งใหญ่ย อเมีเป็นบังด้วยนี่ผมเนี่ยที่มีวีรกรรมเนี่ยแต่พอเปลีป่ยนแปลงแล้วนะไอ้บังนี่ก็ไปแล้วมาทีิมาศีดแล้วอ่านคุรานโอ้ยดีทุกอย่างแต่พอเป็นคนดีแล้วนี่นะไม่เป็นหัวแล้วมนะันเป็นหาง ข้าวทำไมตอนไปฟังบัญญายทำไมไม่ชวนคนนู้นคนนี่อทําำไมลูกจะมาหายไปไหนอ่ะไอ้มอเตอร์ไซครขันอที่บุนบนกันไม่เนี่ยหไปไหนกันหมดอ่ะไอทีจะเกณฑ์คนไปยกทัพไปตีสถาบันนู้นอ่ะนูตรงยกทัพกันยึดรถแมไม่รู้ี่สายอ่ะทาได้แต่ที่เป็นคนมีลาเนี่ยจะได้ยกทัพไปไม่ต้องไปถึงกาาแล้วยกทัพไปไปละหมากระเนี้ยไปทาความเียเงี้ยไปคนเดียว มาคนเดียวนี่ก็เหมือนกันไม่บอกวโอ๊เปลี่ยนแบงนี่เขาก็กับบุญแล้วใช่ถ้าอายอันนอสิตอนเป็นคนเลวนะเชิญชวนคนอื่นมาทาความเลวทวนหนะ้าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ตอนเป็นคนดีเนะี่ยไม่กล้าไอ้คนที่ชวนมาทำไปทำความเลวกันนั้นๆน่ะไม่กล้าไปบอกเขาสักคนหนึ่งเฮ้ยกูคเคยชวน มึงไปกินเล้ากูเลือกแล้วมึงอย่ากให้มึงเลิกสติทำไม่เป็นเพราะอะไรมันมีนิดนิดนะมีนิดนิดเนี่ยจตเป็นไม่นานอะตัวเเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วแต่อายอายไม่กล้าบอกกับชาวบ้านเลว่ากูเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยบอกอิสลามมัาทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เหมือนมารดเซย์มีมาร์เซย์อัลกันอวีน س و ف ي ر ي د <تحدث> ا و ن ْ ن ي َ ك ل ي ع ل ي ك ا ل إ س ل ا م م ن أ ع ل ا ن ِ إ س ل ا م ِ ه ا م ن ش ل ت ْ ف <تصفيق> َ ت َ م َ د ي ك لَهُ ك َ ا إ م ا م إ ب ن ح ج ر ا ه َ د ن م ن إ ب ن ح ج ر س ع إ ب ن ح ج ر إ ب ن ح ج ر ا ل ع َ ص ِ ق َ ا ن ي ِّ ا ل ْ م ي َ ت ي أَتِبَاع ل ا ق ابن حجر الهيثمي ا ل ن ب ا إ م ا م من مذهب ش ف ي ل ن ي ابن حجر الهيثمي ا ع ن ي كان من مذهب ش ا ف ي من ق ا د مسي ه ي ث م ي ل ه ي ث ي خ م ن ي ننسى مشي ن ن س ي ن ي ا ل ز و ا ج عن اقتراف الكبار. الزواجر و ر و ب ن د ا ك بيرة بابي ع لعي. تميني الإسلام. ده ي ش ا ي ا بنداتوم. ที่จะห้ามทําบาปย่างนั้นล่ะเรียกว่าเจาวัจญ์สิ่งที่มันจะปราบปรามสิ่งที่มันที่มันจะคุมขูมไม่ให้เราได้ทําบาปใหญ่นั้นน่ะในตัวมทซึ่งอัานคุณอ่ณอานละหะดีสินะท่านก็รวบรวมมาอะไรที่เป็นบาปใหญ่ที่มีอายะหรือมีฮะดีสห้ามแลคมคมม้คุมขุไม่ทําน่ะมีบาปเท่านู้มีบาปอย่างงู้นทำอย่างนี้ได้เป็นอย่างเงี้ยโดนอย่าง รบรมาเลิกเรือว่าอัจาาจึ่งหนังสือหนี่งก็จือว่าหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยกับาปมีหนังสือเล่มหนึ่งของบากใหญ่นี้ของอิอาบีแต่มีอุลละมาลายท่านตั้งข้อสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นของอิมามอัาฮีเพราะยังไม่พบหนังสือขเรียกว่า สบักโบราณสักเล่มหนึ่งที่สามารถอ้างอิงว่าอิมามซาดีได้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเสนอิีฐานว่าอาจจะเป็นการรวบรวมของนูกศิษย์เขาก็ได้แล้วก็มามาปัชื่อของเขาหน่อยแล้วได้เหตุผลว่าเขาบอกว่าในหนังสือ น, นี้ก็มีเนื้อหาความรู้ที่มันและสำนวนมันไม่สวยงามเหมือนของอิมามซาดีเนี่ยเขาสำนวนเขาสวยมาก ใครได้อ่านแล้วก็เป็นหนังสือเล่มเล็กในอิมามจ ا บีนี่เขาไม่ถนัดเขียนหนังสือเล่มเล็กเล็กหนังสืออิมามจ ا บีนี่เขียนเล่มนึ่งอย่างแต่อริคุลอิสลามนี่ประวัติศาสตร์ของอิสลามนตั้งแต่สมัยนบีอัลกดามจนถึงอิมามจ ا บีนี่นะประมาณสามสิบเล่มเสียอาลามอินนุบัลานี่นะประวัติของคนที่มีชื่อเสียงในอิสลามนี่ยี่สิบ้าเล่มนี่แคเขียนหนังสือเล่มเล็กไป่เพีย แต่นสือกอ็น่มหล่มนาบอกไม่น่าจะเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นของคนบ้านเรานี่แปลแล้วนะครับหนังสือการ์ดของภาษาอังกฤษเป็าษาไทยแปลแล้วก็อ่านได้นะแต่ก็คอมเมนต์ไว้ให้รู้ไว้ว um e ่าเออมีมีเร uh e uh> ื่องนี uh ้ที uh uh ่วนละมาเขารีควสมาแต่หนังสือการของภาาอินเทั้ที่ทราบวายม่มีอรแต่เดวนี้หนังสือพวกนี้เนี่ยหนังสือภาษาอังกฤทั้งหมดในหนังสือ ไม่มีปัญหาแล้วละ AI นีมันแปลให้แป๊บเดียวดีกว่านักแปลเป็นสอกแม้ว่าจะเป็นฉบับ PDF จะเป็นฉบับ Word ขอให้เป็นไฟล์เสียงไอ AI เนี่ยมันแปลได้หมดจนกระทั่งนักแปลหนังสือเดี่ยวนี้เนี่ย เขาก็ลังหาสวัสดิการที่รัฐนี่เขามีช่วยไหมพวกพวกล่ามพวกล่ามนี่ต้องพ่จารณาตัวเองแล้วนะเพราะไอ้ไอนี่แล้วมันแปลโคตรละเอียละเอี่ยนมากเอียดจริงๆฉะนั้นใครที่อยากอ่านหนังสือคือตอก่อนนู้นอ่ะคือประสบการณ์ผมความรู้ผมเกี่ยวกับหนังสือ ที่แปลภาษาไทยจากหนังสืออะไรนี่ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยถนัดไงบางคนก็จะมาถามผมเช็คมีหนังสืออะไรมาภาษาไทยอยูภาษาไทยผมต้องบอกเลยใจเฮเลยนะในเรื่องเนี้ยความรู้น้อยเนี่ยแต่ถ้าจะถามหนังสือภาษาดับเนี่ยผมให้ได้เนี่ยให้ให้ความรู้ได้ของภาษาดับที่ผมอ่านไม่เป็นนะเช็คแต่ก่อนนันก็ก็จะมีกําแพงเนี่ยระหว่างผมกับลูกศิษย์แบบนี้ยหนังสือภาษาดับผมอ่านไม่เป็นอทำยังไงอย่างไม่รู้สิ ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องรออ า, าจารย์อีมาอาจารย์วักคนที่นักแปลนี่จะโดยแปลให้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องมาถามผมได้เลยอยากไ่อ่านหนังสืออะไรอันนะเรื่องไหนนั่นเือผมแนะนำเลยนะแล้วก็ท่านให้บังเอ <laughs> ไม่ต้องเรียกมันอาจารย์หรอก <laughs> บังเอไอมันแปลให้หมดเลยจริงๆแลแ้ว้าใครที่ ขาดประสบการณ์เรืนี้ก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะแกมันจะมีประโยชน์มากเลยโดยเฉพาะเรื่องเรียนเรียนรู้เรื่องศาสนามันทําให้เราได้ทันสถานการณ์ด้วยปัะเด็นนี้เนี่ยเขาคุยกันไปคุยกันมานี่ยโอ้โหนี่โยนรูปนู้นรูปนี้เลยมันบางทีเนี่ยมีคําศัพท์ภาษาหลักนี้มีสื่อตำรามีอะไรเนี่ยเขาไปต้องหายกังวลเรื่องนี้ AI อธิบายได้หมดมา นี่เราเล่นโซเชียลนี่ทุกแพลตฟอร์มเดี๋ยวนี้มี a อของมันแต่บางทีก็ต้องเผื่อนิดนึงนะเพราะอไอนี่บางมีก็มีม่งโม้ของมันมันมีเอไอของเว s ต์อัพอาจารยน่เวลาสนทนาใช่ไหมแล้วก็แล้วก็คุยใช่ป่ะโซเดมีคาอะไรถามเลยมี AI ไอมนถามมันเลยได้เลยปรากฏว่ามีคนไปถามว่าสามารถถือสิ้นอดวนอีกได้ไหม อันนี man, <laughs> know, <laughs> razor, ้มันมันเบสิกมากเลยนะเออนีอธิบาย้วยนะท้านสามารถตือซืกอบทาได้เงี่ยจะม้วบวมตบวอันนี้มโวนัีมวนนอ่ะทีนี่ก็ต้องต้องต้องระวังมั้ผมเคยอ่าสารัง ได้ถึงโอชิฟ่อลลิมาฟสตูดูคุณสมบัติสองอธิบายไปแล้วระดับหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนี่ว่าโรคนี้มีโรคของศรีรงาแล้วก็มีโรคของจิตใจโรคของศรีรายนี้มีที่ศาสนาได้แนะนํายาเช่นกุฎาได้แนะนําน้ําพึ้นน้ําซึ้งเป็นยาวิทยศาศาสตร์ ได้ยนยันแล้วว่าเป็นยาจิงแต่รักษาโรคมากมายก็เป็นสารชนิดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์มหาศาลจริงจริงดังที่เราเคยบอกฟีดิชีฟะอุลิมเนสชีฟะเหมือนกันชีฟะบมบัดเป็นสิ่งที่บาบัดสำหรับมนุษย์ทั่ว السنن ا ن ب ي ي ن ن ي س بخاري ت ن ب ي ن لم الحبة تستودع ث م و ي س ا ك ر ي س و ت ش لغنو ركسا روب لاي شنيد من كلا بيبو شفاء من كل ده ركساتو كرومي كلا معلدي كام لا ت س ا ن تسانا ن ل بقى في شفاء من كل ده มันเป็นสำนวนในภาษาหลักเนี่ยเวลาพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ามันมีมีประโยชน์สำหรับทุกอย่างคำว่าทุกๆเนี่ยไม่ได้หมายว่าทุกอย่างจริงๆแต่หมายถึงว่ามันรักษาโรคหลายอย่างเช่นมีตังแล้วนี่ทำได้ทุกอย่างจริงปะจริงปะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลย แต่ระดับหนึ่งพอเราใช้คำนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเถียงเอ้ยท่านมีตังค์ทำได้ทุกอย่างมันก็ไม่ไม่มีใครอยากจะเสียเวลาเถียงในเรื่องนี้ใช่ไหมก็เป็นที่เข้าใจกันว่าอ๋มันทำได้ทุกอย่างอะไรเนี่ยมันเนี่ยฟีเอ่อชิฟ้าอุมมินกุลลิดรักษาทุกทุกโรคทุกชนิดอาจจะหมายรวมว่าโรคทุกชนิดที่มันมีในยุคนั้น่ะ ไข้บวมแผลหา ย, ายไม่ไม่สนิทรอ้อนในอะไรพวกเนี้หามาดูเซลล์ได้เนีม่มก็พอรักษาพวกนี้พวกนี้ได้ไม่ใชหมายถึงว่าโรคทุกชนิดที่มีในโลกนี้เนี่ยอาจจะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้หรือว่ามีวิธีมาไดา้แสดงวารักษาโรคทุกโรคจริงๆแต่เราอาจจะไม่รู้วิธีใช้ยา จริงไหมล่ะยายาบางชนิดเนี่ยรักษาโรคนี้แต่เราใช้ไม่เป็นมันก็ไม่รักษาคนที่เป็นโรคข้ออักเเขาจะมีขาเรียกขเรียก่อะไรยาพ่นใช่ไหมยาพ่นยาพ่นนี่มันก็ต้องมีวิธีวิธีชถ้าจะเอายาพ่นนี่มาพ่นผมเคยดูคลิปหนึ่งหมอก็ถามว่า คนไข่เนี่ยบอกว่าฉันเป็นโรคหืดแล้วก็กินยาไม่เห็นหายเลยใช้เป็นเดือนเลยบอกว่าแล้วเธใช้ยังไงอ่ะก็นึกว่าฉัโง่เลยใช้ไม่เป็นอ่ะเปล่าอยากอยากรู้เขาก็เอายาชนนี้มาทนเลยไม่หายแน่นอนสิจะหายยังไงอ่ะอันอยู क क ่ที่ยาเนี่ว่าเราจะใช้ยายังไงใช่ไหมเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับกุานเหมือนกันเกี่ยวกับศาสนาและการศาสนา ซึ่งคำว่าวชิฟาอันกุรา น, นีบันชิฟาอุนบัมบัดเนี่ยหมายรวมมากว่าซึ่งเป็นยาบาบัดรักษาโรคที่เป็นนามธรรมรักษาความเจ็บป่วยของจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายและสรีระถึงแม้ว่ามีอุลามาที่บอกว่ากุดอั น, นีารักษาทุกโรคทั้งร่างกายทั้งสริระและจิตใจซึ่งเราเชื่อเหลือเกิน วัคซีนอันี้สา ม, มารถรักษาไดา้ทุกโรคจริจงๆแต่ไม่ใทุกคนที่สา ม, มารถใช้วัคซานได้ในการบำบัดอันนี้ต้องรับยาที่มีในร้านขายยาที่มีในโรงพยาบาลเนี่ยมีทุกที่เลยนะแต่ตั้งข้อสังเกตด้วยเอ๊ทะาทะาไมทําไมคนก็บกว่าหมอคนนี้เก่งหมอคนนี้เนี่ยคนไปรักษานีเนี่ หายกบทุกคนเลยแต่หมอคนนี้เนี่มรักษาไม่เป็นหมอที่รู้รู้ว่ายาที่มันเหมาะกับโรคกินได้แค่ไหนกินเมื่อไรตอนไหนกินตัวไหนไม่กินตัวไหนตัวน่นี้ใช่ยาที่รักษาโรคนี้แต่มันจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับอาการอื่นที่คนไข้ไม่มีซึ่งไม่ใช่หมอทุกคนที่จะมีความกว้างขวางในการวิเคราะห์ภาพรวมของคนป่วย พุรอ่านก็เหมือนกันจะรักษาด้วยพูดอ่านยังไงใช้อายะไหนสุราไหนใช้เมื่อไรตรงไหนยังไงแบบไหนนี่ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ทุกคนที่สามารถนอกเหนือจากนั้นกูอ่านนี่เป็นยาเหมือนยาทั่วไปนี่เคยเห็นมั้ยไปซื้อยายาที่ก็ต้องใส่ในในแผงยาที่แบบว่าปิดอย่างดีเลยนะแล้วก็มีกล่องอย่างดี ตะกอนนู้นนะ่ะไปซื้อยาเนี่ยเขขาเป็นเม็ดนะขายเป็นเม็ดนะแล้วเวลาจะสั่งยาเนี่ยเขายาเนี่มาเป็นกระปุกเลยนะมาเป็นกระบุกแล้วก็จะมีช้อนตักยานาะแล้วก็มีช้อนเขียยานี่ีเลยเพเม็ดมันเล็กไงเขีย่ยทีเม็ดนับทีลานนะเพหมะหมอเขาสั่งมาสามสิบเม็ดสามสิบห้าเม็ดอนยะ่างเงี้ยก็แค่ ไม่มีแถมเลยนะไม่มีตกรุ่นขายยานี้ไม่มีแถมถ้าใครทันนรุ่นนั้นอ่ะแต่รุ่นนี้เนียคงคงไม่ทันแล้วมงไอแบบเม็ดเนี้ยตานี้คงทันอ่ะนะหลานนี้ไม่ทันแน่นอนไม่มีและแบบเนี้ยซึ่งตกรุ่นเนี้ยผมพอพอไม่มีคือคือทั่วโลกเขไม่มีตกรุ่นนี้มึงไทยน่าจะมึงไทยบ้านเรา่ะนมีจรเนี้ย โดยท่านี้ว่าอะไรสักอย่างหนึงผมไม่เข้าใจอ่ะนะแต่บ้านเราที่มีเรื่องนี้แล้วก็หมอที่มาเนี่ยเขาขำกั น, นทั่วโลกเขาขำกันเพราะขายยาแบบเป็นเม็ดๆแล้วเวลาขายแล้วก็ใส่ถุงเนเคยใช่ไมแต่อก่อนน่นะไปโรงพยาบาลเนี่ยรับมาเป็นถุงๆๆๆบางทียี่สิบถุงเ น, น, นี่ใช่ไส่เป็นถุงซึ่งมันผิดหลักอนามัยมันไม่สะอาดแล้วบางทีเนี่ยข้างนอกนี่ถุงนี่ยเขาพิมพ์ พิมพ์ไอไอโลโก้ไอไอไอสีขาวที่มันเปลืองมันออกนี่สองสาวันเนี่ยโดนร้อนโดนแดดโดนฝนนี่มันก็ออกแล้วแล้วมันไปโดนยาเพะเราเอายาออกนี่บางทียางก็โดนสีไปด้วยยาเหมือนกันทําไมสะอาดนี่มันก็มันก็รักษาไม่ได้ใช่ไหมทีหลังนี่เขาพิสูจน์ว่ายาตัวนี้จะกินกับยาตัวนี้นี่ะนะมันตีกัน เพิตม <c oughs> ี่เข้าไปในท้องนี่ไปตีกันไม่ได้ผลก็มีบางทีนี่ใช้หลักการศาสนาในการบำบัดรักษาให้หลักการศาสนาเอาทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่ที่จริงเนี่ยมันไปตีกันเช่นคนหนีบชีวิตองเขา้าในทำบาปมาเยอะเเนี่ยโรคทางจิตใจ จิตใจอ่อนแอทำบากรยุกเลยพอเขารู้สึกว่าอยากจะเลิกบาแทนที่จะเริ่มบันไดเป็นขั้นนะเลิกบาให้เขานี่หนักแน่นหนักแน่นในการที่จะเข้าไปสู่สนหาครับความดีโดยเฉพาะเรื่องฝรดูเรื่องวาจิบอะไรต่างๆนีๆ่เป็นขั้นเป็นตอนนี่นะไม่ตอนรับด้วย เรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคุณเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อนะว่าคุ่มนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มตัวละนะแล้วก็คุลมาคนนี้เนี่ยไปฟังเขานะเข้ามาแล้วเลยนะเรื่องแรกที่จะต้องปรับชีวิตเนก็อยู่กับเรื่องเนี้ยเนี่ยเป็นยาอาจจะจริงก็ได้ว่าเออเตือนเนี่อาจจะดีก็ได้ ถ้าไม่ใช่เวลาของมันอนะ่ะพอบริพวกแล้วอ่ะนะมันเข้าไปตีกันส่วนมากนะที่เจอไม้นี้เนี่ยก็ส่วนมากนี่ครับไปแน่นอนนะส่วนมากนี่ก็จะเริ่มมารู้สึกว่าสัาสนานินี่าถ้ามีแค่นี้เนี่ยไร้สาระยึกมากนะครับที่ไม่ต่อไม่เดินไม่เดินหนะ้า คนที่จะให้ยาที่เกี่ยวกับคุรานี้ก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้เ ช, เชน่นคนที่ให้ยารักษาโรคทางไซรั่เนี่ยจะต้องเป็นหมอภาษาระดับนเขาเรียกกันตบับีบตับีบเนี่ยโดยภาษาระดับเนี่ยไม่ใช่หมายรวมว่าหมอนะโดยภาษาระดับโดยภาษานะตับีบนี่ยแปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่เขาเอามาใช้ แต่งตั้งเฉพาะคนที่เชี่ยวชาญด้านรักษาโรคต่างๆแล้เรียกว่าต่อพิบแต่ต่อพิบนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญหรือต่อพีบเนี่ยผู้ที่มีความเมตตากรุณาท่านนบีสุลต่านมีข้อห้ามบอกว่าคนที่รักษาโรคเนี่ยอย่าเรียกว่าต่อพบหมอเนี่ก็เรียกว่ต่อพบใช่ไหมต่อพบหมอแต่มันมีข้อห้ามฮะอิสลามอัลฮัดท่านนบีสุลยต่าน ในถามว่าใครใครรักษาเธอหนิอัตตบิดคนนี่รักษาฉันนนิอัตตบิดเราเรียกว่าลาเะคูลูทับบิดยาเรียกว่าตับบิดบลคูลูรัฟิคจะเรียกว่าผู้สงสารเมตตาก็คือหมอเด็ก็หมอเนี่ยต้องมีความสง่งต้องมีความเมตตาสงสารต่อคนอื่นจะได้รักษาพอที่ไม่เอาไหนนี่เห็นแกตัวอยากจะได้ตังอย่างเดียวอ่ะไม่รักษา ل ن ب ي َّ ف ط ا م ِ ب َ ا ل ط ب ي ب ه و ا ل ل ه إ ب ن ح ز م ي َ ت ْ ح د ي ث ن ي ن ي ب َ ع و َ نِنْ ف ن َّ ه ُ ا ل ل ه ا ل ط ب ي ب ل ه ن ي ن ِ ف ن َّ ه ُ ا ل ل ه ا ل ط ب ي ب ل م َ س ُ ن َّ ا ت م ه ن د ُ و ي ْ ك َ م ن ب ي ْ ل َّ ل َ ه ع ل ي ه ِ س ل م ك م ل ن و ت ن สิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะจาลสามารถทำได้ซึ่งมันยุกมากบางสิ่งบางอย่างนี่มนุษย์ทําได้แต่ทําไม่ได้เหมือนที่อัลลอฮ์ทามนุษย์สามารถรักษาได้แต่มนุษย์ไม่สามารถรักษาขาดได้เบ็ดเสร็จเหมือนอัลลอฮ์มนุษย์นี่เป็นสา บ, บแต่อัลลอฮ์เป็นมุสบิบ ม, มนุษย์นี่เป็นสาเหตุ เป็นปัจจ oh ัยต่อหลังนี่ยเป็นผู้สร้างสาเหตุเป็นผู้สร้างปัจจัยฉคนั้นก็จะเรียกมนุษย์เนี่ยเรียกว่าตบีบเรียกว่าหมอเนะเรียกได้ว่าเรียกได้แต่นบีหมายรวมว่าอย่าเชื่อว่าหมอเนี่ยมันแต่นี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เคยน่าเขียนนะเพราะการเทียกกล้าหลงไงเอ่อ มานี่มันรกาม่มายืนดีไหมสิต้องไปกันทางบ้านน่แหะหมอรักษาด้วยอนุมาตจากเพราะฉะนั้นคนบบนกว่าควรเะดูลไปหาหมอนะโดยเฉพาะคนที่มีโรคชนิดที่ สร้างความเดือดร้อนแล้เจ็บปวด ม, มาก <c oughs> เวลาไปหาหมอนี่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเราไปได้วยความหวังว่าไปหาหมอแล้วไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราจะหายเราสามารถมีความรู้สึกแบบนี้ได้แต่อย่าให้ความหวังที่เรามีกับหมอกับโรงพยาบาลกับยา เป็นความหวังสุดขีดไม่ใช่หมอที่จะให้เราได้หายด้วยตัวเองไม่ใช่หมอหมอนี่จะทําให้เราหายเนี่ยหรอว่าจะลอะผู้ศรัทธานะจะไปหาหมอจะไปซื้อยาจะไปรับเนี่ยจะจ ะ, จะต้องมีความหวังที่เงี้งยเหรอความหวังต่อมานี่นะถ้าเป็นมนุษย์ที่เป็นสบับายนะได้ไม่มีปัญหาอ่ะ แต่มีร้านสะดวกซื้อเคยมีโฆษณาบอกว่าหิวมาไรนึถ mm. <pack> ึงน mm ึกถึงมีเมื่อไหิวมื่อไนึถึงอัลล์นี่มีใครเคยสอนมั้ยมีใคเคยสอนว่าิวมไรนึถึงอัลลอฮ์เจ็บเมื่อไรนี่นถึงอัลลอฮ์ปวยเมื่อไรนถึงอัลลอ์ ก่อนที่จะไปหาหมอก่อนที่จะไปโรงพยาบาลก่อนที่จะให้ใครมาจดยานี่นะขอตัวอาบิก่อนทําไมอันนี้คือเรื่องด่วนและก็เป็นสิ่งที่เรามีความเชื่อว่าว่าความหวงอยู่กับตรงนี้มากที่สุดก่อนที่จะไปร้านสะดวกซื้อไปซื้ออะไรจะได้หายหิวอันนั้นก็นึกถึงอัลลอฮ์กันว่อัลลอฮ์นี่เป็นผู้ใหริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้หายหิว ก่อนที้จะไปรลาวสะดวกซื้อไปซื้ออะไรจะได้หายหิวอันนั้นก็นึกถึงอัลลว่าอัลลอฮ์นี่เป็นผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้หายหิวเวลาชาวเราเขาบว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยเสมอหิวนะหิวแล้วก็กินอาหารแล้วก็หายหิวใช่ไหมอะไรที่ทําให้เราหายหิวอาชารอบอกว่าถ้าเสี้ยวอาหาร ที่ทําให้เราหายหิวนั่นน่ะสิริชาวโลกมันทำไมเบาหนึ่กันน่ะเออทํำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าก็อัลลอฮ์นี่ข้าเลี้ยูกุลลิชีอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างท e ุกสิ่งทุกอย่างเอียดมีนของเขานะข้าเลี้ยูกุลเรียสร้างทุกสิ่งทุกอย่างความอิ่มเนเป็นสิ่งไหมสิ่งใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ฉะนั้น ผู้สร้างนี่คืออัลลอฮ์จะให้ผู้สร้างสร้างสิ่งที่ถูกสร้างจะให้สิ่งที่ถูกสร้างสร้างสิ่งทสร้างไปนั้นไม่ได้เอาแล้วก็อาหารนี่มันเป็นอะไรอาหารนี่มันแค่เป็นสมา บ, บยังไงอาหารนี่มันแค่ปัจจัยปัจจัยไงหมายถึงว่าเราสามารถไม่กินอาหารเลยนะและอัลลอห์ سبحانه ะเจ้านั้นจะสร้างความอิม่มในท้องของเราได้อันนี้ชาวเราเขาเขาเชื่อแบบนี้ อัลลอฮุซุนนะวะจัมรานีเขาก็เชื่อใกล้เทียนกับอัชฌาร์นิดหนึ่งแต่เขาบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวดาจะสร้างอะไรเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลโดยเฉพาะในบริบทชีวิตของมนุษย์เนี่ยพออัลลอฮ์สุบฮานะหัวดาสิ่งที่มันไม่ได้เป็นไปตามบริบทและกฎเกณฑ์ที่ที่ให้ชีวิตอยู่กับมันนี่นะ มันจะเป็นอภินิหารหมายถึงว่าคนไม่กินแต่อิ่มตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มั่ววิจัดลลมัมอยู่ทุกคนที่จะต้องเจอแบบนี้เนี่ยสามารถเรียกได้ว่ากว่า Allah ให้ท่านหญิงมาริยมเอวติก้าอยู่อยู่ในโบดถ์ในมัสยิดนี่เป็นเดือนไม่มีใครเอาอาหารมาให้เลยท่านนบีザกริยาที่ザกริยาเนี่ยก็คือบิดา قال أن له لهذا قالت هو من عند الله خممسة نيانين قل ما لك ابن قل ماي ماي تمردودوي قالت هو من عند الله هني الله ه ا ا مجدوب ك هني أطعمة رمضان ستة وعشرين نه أ ط ا ن نه أ ع م ة رمضان نه أ م ة ر م ا ن نه أطعمة رمضان نه ع م ة رمضان نه เขามันอะไรอยู่ด้านหลังมาอย่งไรมาเองอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยน <t> ี่ไม่ทุกคนไม่ทุกคนที่จริงเนี่ยบางคนนี่อาจจะเจอนะแต่คนที่เขาเจอนี่ยเขาไม่พูดเนี่ยอาจจะมีคนเจอนะเจอยังไงอ่ะแต่เนี้ยเมื่อเจออาหารจริงอัลลอฮ์ให้มาจริงจริงนี่ไม่มีใครรู้ว่ามายังไงแต่เขารู้เนี่ว่าอัลลอฮ์ให้จร่เขาไม่พูดรู้ว่าเขามาได้แต่อัลลอฮ์นี่ แล้วก็ไม่อยากกินลเราอร่อยเขาใครเขามีความอิ ن ن ่มไม่ต้องกินอาหารกริงแล้วอยู่ได้สิวันนี่ไม่ไม่กินดื่มแต่น้าอย่างเดียวก็มีเาดูเขาอิมอันนี้อันนีอันนีท่านเล่าเพื่อพิสูจน์ท่านพูดถึงเรื่องตวกลตวกลการมอบหมายตากอัลลอฮ์นี่อุลามะตอการนู่นนะเขาจะอัติก้ามี่ชอบอัติก้ามี่มัสยิดฮารอมมัสยิดนบีอย่เงี้ย แต่เขาไปอาทิ์ก้าี่เขาจะอาทิ์กา้าไม่ชแต่รอมต อ, อนอย่างเดียอาทิ์กาเป็นเดือนเลยบางคนก็อาทิตก้าเป็นปีบางนก็นอาิ์ก้าเป็นเดือนหลายเดือนประมาณสี่สิบวันเขาบอกว่าในสี่สิบวันนี่ไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินน้ำดื่มนำ้ำ zam-zam เขาบอกข้าพเจ้าอยู่เป็นสิบสิบวันเนี่ยเดือนแต่น้ำ zam-zam เนี่ย พอหมดกอทีกาบแต่ควนุกว่ได้ตวจวารจีวารนี่อยู่ข้างเคียงบม่ตุลกพอไว้หมดกาทีกาบแล้วนี่นะปรากฏว่ามีพุงท้องนี่มีพุงมีพุงไดงไงจะไม่ได้กินอะไรกินตนาำอย่างเดียวอันนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราจะให้จริงไงนะไม่ต้องมีปัจจัยกระดาษไม่ต้องมีปัจจัยเราก็สามารถให้ได้ การรักษาด้วยกุณอ่านด้วยหลักการศาสนานี่จึงมีคุณสมบัติในตัวหมายถึงว่าคุณอ่านนีมีคุณสมบัติในการรักษาบำบัดโรคในตัวใครที่อยากจะบำบัดโรคส่วนตัวของเขามีโรคอะไรอ่ะชนิดอะไระทุกชนิดเลยเอาคุณอ่านมารักษา แต่ต้องเชื่อมั่นว่าคุรานนี้สามารถรักษาได้ต้องเชื่อในอิทธิพลของกุรานในชีวิตของผู้เสียไมมีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยทุกเรื่องเลยคนที่เขาเคยมีปัญหาเรื่องเต็ดผู้หญิงกุรานรักษาได้คนที่มีปัญหาเรื่องบุรีและสิ่งเสพติดกุรานมีเคยรักษาได้ คนที่เคยมีปัญหาเรื่องหลงดุนยานี่ชอบชอบของแบรนด์ชอบซื้อของชอบช้อปปิ้งทุกวันให้หมดเงินคุณอ่านนีรักษาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยไปพึ่งพาแต่บางทีก็พึ่งพาครูบาอาจารย์พึ่งพาเาพื่อนฝูงพึ่งพึ่งพาสูตรนูน่นสูตรนี้สูตรที่มันสามารถตอบโจทย์ได้ ยังเบ็ดเสร็จเลยอัลลอฮ์กว่าชฟ้าอุลิมาฟิสูดูรอะไรที่อยู่ในหัวใจของเรามีอะไรอยู่ในหัวใจเราบางคนนี่มีปัญหาเรื่องสงสัยสงสัยอะไรสงสัยขุนอัลสงสัยอัลลอฮ์สงสัยนาบีสงสัยศาสนาสงสัยคําสั่งอนของขุนอัลทำยังไง จะอ่านกุณอ่านได้ไงเนี่ก็ก็คุณอ่านเนี่ยกุณอ่านเนี่ยเป็นข้อสงสัยสําหรับเขานั่นแหละอ่านกุณอ่านทําไมอ่ะเขาบอกว่าการสงสัยในเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นเหตุผลที่เราจะไม่เอาเรื่องนั้นมาใช้ในการดูแลตัวเองเช่ไคนหนึ่งไปหาหมอ หมอก็บอกว่าร่างการของคนนี้นะขาดสารสารเหลวต้องกินน้ำไว้เยอะคุณหมอกต่ผมไม่รู้สึ ก, กว่ากินน้ําเลยไม่รู้สึกกินน้ําเลยคุณไม่ต้องรู้สึ ก, กว่าอาการคอแห้งอาการปากแห้งนี่ไม่ได้เป็นสัญญาณเดียวว่าคุณต้องการน้ำ ต่คนปกติส่วนมากเนี่คนนี้จะขาดสารอาหารสารน้ํำนี่นะก็จะกรู้สึกปากแห้งใช่ไก็ต้องกิน น, น้แต่มันไม่ไม่่สัญญาณเดียวร่างกายจะขาด <c oughs> สารสารบางชนิดนี่นะมันอาจจะมีสั ญ, ญลักษณ์อาจจะมีเครื่องหมายอื่นๆที่จะบ่งชี้ถึงเรื่องนะั้นฉะนั้นถ้าเราจะมีอาคติอะไรกับกับอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะใช้มันในการช่วยชีวิตอะไรสักอย่างหนึง่งเราจะเสียเปรียบ ก็ผมสงสัยกุณอ่านผมจะเอากุณอ่านมาอ่านได้ไงข้อสงสัยเนี่ยเป็นข้อสงสัยส่วนตัวของคุณอย่างเช่นคนไปหาหมอหมอก็จดยาหมอยานี่ผมไม่ชอบกินคุณแต่คนเดียวชอบกินแต่เขากินกันทั้งโลกเขาหายกันทั้งโลกอย่างนมีเหตุผลอะถ้ายังยืนยันว่าตัวเองเป็นมุสลิมยืนยันว่าตัวเองมุสลิมไหม ย, ยืนยันแต่ผมยังมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไร เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ศรัทธาทุกคนเละยอย่ากลัวอย่ารู้สึกเฮ้ยหายะแล้วผมมีปัญหาเป็นความเชื่อสงสัสยในคุตัานนี่นะเบีนี่อะไรนี่หายละอะไรถามก่อนเป็นมุสลิมไหมยังเชื่อเองเป็นมุสลิมอ๋อผมเป็นมุสลิมแน่นอนครับเนไม่เป็นไรถ้ายังเชื่อเป็นมุสลิมอนะยาของพุทธนี่คือกุตัานแต่ผมมีปัญหาในาคุตั้นกับจะบอกได้วไม่เป็นเลยเป็นมุสลิมไง แต่ถ้าไม่เป็นมุสลิมแล้วก็ยังยังไม่เชื่อมุสลิมอ่านต้องมาคุยใหม่ต้องต้องเอานับหนึ่งแต่ถ้าเชื่อว่าตัวเองเป็นมุสลิมนะไม่ต้องคุยไม่ต้องนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบนี่ไปแล้วนับสิบเอ็ดนับยี่สิบไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาคนอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดหนึ่งสอง สามเฮ้ยังมีตรงสี่เฮ้ยตรงนี้มไม่จบนะมันจะไม่จบจนนับเนี่ยเป็นร้อยเลยเนะี่ยหมดหมดไปหุนถังน้ําหมดเนี่ยล้างเอาไว้ว่าที่เดยกยังล้างไม่หมดเลข้อสงสัยเนี่คนที่สงสัยเนี่ยอย่าให้ข้อสงสัยเนี่ใหญ่กว่าสิ่งที่เราพิสูจน์ได้อะไรที่พิสูจน์ได้นี่ มันเห็นว่ามันเปียกแล้วไงแต่ชัตอนนี้มันมีที่พนขนาดไหนที่จะทำให้เราเนี่ยสงสัยว่าไอ้ที่มันเปียกนี่มันยังล้างไม่เกลี้ยงมันยังล้างไม่หมดมันยังไม่จบล้างแล้วล้างอีกมันก็ไม่จบเชื่อไหมบางคนนี่นะถึงขนาดที่คือล้างแล้วล้างอีกคือกระโดดนน้ําคลองเลยกระโดดนิ่คลองเลยมันจะได้เปียกทั้งตัวขึ้นมาใน ล, ละมัด มันไม่จบเนี่ยคือไปเชื่อเชียตอนตั้งแต่แรกลแล้วกนะ็มึงไม่รอดเลยมึงต้องกระโดดน้ำนะต้องกระโดดไปจมน้ำก่อนมันจะได้เปียกทั้งตัวใช่ไหมเฮ้ยแต่มันมันจะซอกไหมเนี่ยเอาใหมา่มันเปียกทีเดียวหมันไม่ได้เปียกทีละขั้นตอนนะั่นแ่ะไปเอาใหมา่ไม่จบนะเชียรฟังเชียรตอนครั้งแรกเลยนะไม่จบทำยังไงอะ ก็ตั้งใจแรกเลยตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยพุทธา น, นี่มีข้อสงสยัยเลยเออมึงไม่ต้องยุ่งกูชอบพุทธานนี่เป็นเป็นคําผิดเป็นคำางชีวิตแต่มันมีนะเออมึงไม่ต้องยุ่งกู ย, ยังชอบชอยู่จบเลยนะพุทธานี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขยับความศรัทธาที่เรามีต่อพุทธานได้แม้แต่ น, อน้อยมันจะไม่มาละนบีบอก ชิตานี่เดาไม่ไหวนี่ Allah สร้างนี่คือคาถามแรกที่ชิตานต้องการให้เราตามนั่นก่อนฝมันว่าจะได้ใครที่เจอแบบนี้นี่นะฝ่ายฝรั่ให้กล่าวว่าอามันตุบิลลาฉันศรัทธาต่อ Allah ไม่ต้องยุ่งคือไม่ตอบ ฉันไม่ตอบฉันไม่ฟังคาถามฉันสิ้นเพราะถ้าหากว่าตอบไปแล้วนี่นีไม่จบไม่จบนแต่ตอนมาไม่นี้อีกรอยนน่ายอิกรกุลฮุลลอฮ์ให้อ่านุลฮุลลอฮฺอทไมเพาะในส่วนอันอิคลามีคตอบุลฮุลลอฮฺออัลลอฮอัอัลลอฮเป็นดีเปล้ยลิดวะลยลดอัลลอฮไม่ประสูตรไม่ถูนประสูตรวะล้ยคุลลูคุฟวนฮัดไม่มีใครเหมือนอัลลอฮจบ มีแฮมตัคนคอร์รัปชวนบางเรื่างว่าบอกให้การอัลลอฮฺบิลเลาะห์มถ้าคืออย่าฟังอย่าตามเช่นเดียวกันเวลามีข้อสงสัยในเรื่องหนึ่งเรื่องอาาในหัวอิวาด้่ข้อสงสัยในเรื่องอ่าละมัดข้อสงสัยในเรื่องละมาดมาสงสัยนี่ไม่ต้องไม่ต้องตามมาันศาสนามีให้ทางออกสองทางอางอกถ้าข้อสงสัยนี่มาก บ่อยเนี่ยมาบ่อยบ่อยบ่อยเนี่ยไม่ต้องตามไม่ต้องเชื่อมันแล้วไม่ต้องสะดุดเสืวีด้วยไม่ต้องชดอะไรเลยถ้ามาบ่อยแนละ้าาวทำไมเพราะมันชาแต่อันนี้อันนี้ไม่ถี่นับสูของเราอันนี้งานเชตอ น, นี่เนาะตอนต้องการให้เราไม่ละหมาดให้ดีต้องการให้เราไม่มีความสุขในละหมาดบางคนนี่เข้าละหมาดหรือจะอ่านเล้นเพียดเงือออกพอจะอ่นะานเลมน้นเงือออกพอรู้ว่าอาจจะเจริญสึกสึกขนาดไหน รู้างานนี่เนี่ยมีชมั่วโมงนึงอ่ะมีเปื่อยอาบน้ำละมัดเสต้องาทาคีนนีกแล้ว ล, ละลมัแล้วละมัเข้าละ ม, มัดทีหนึ่นโอ้โหละมัดซุนนานี่นะกว่าจะเสร็จซุนนาหนีเนี่ยเขาแต่หิยันแล้วแต่ที่ยังไม่ออกจากซุนนานีเพราะอะไรเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นี่นะตัดขาดเลยเฮ้ยไม่ครบเออมึงไม่ต้องอยุ่งไม่ครบ นุกุระเปชอบเต้องูดก็ชะตอนแบบนี้ถ้าตอบครั้งแรกนี่ตอบแบบนี้เลยวชะตอนไม่ไหวแต่ถ้าฟังมันแค่ครั้งเดียวเอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออตอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ แต่ท่านเขียนหนังสือนี่ด่าคนที่ฟังเชตตอนจำมุลมัวสตัวสีนจำนี้คนที่เชื่อฟังเชตตอนเขาเรียกคนที่สงขี้สงสัยเนี่ยนะถคนที่เชื่อฟังเชตอนไม่ใช่เพ่งศาสนานะไอคนอนีอ้อาบนละมัดโขลมันจะได้ซอสตีนไม่ใช่คนเข่งศาสนาเป็นคนที่เชื่อฟังเชตตอนกูอานเนี่ยเป็นธรรมนูญที่อัลล์ให้มานี่ ถ้าอัลลอฮ์ให้กุรานเป็นทางนําช่นไหนกุรานนี้จะมีข้อสงสัยในคุรานที่เป็นทางนำแสดง ว, ว่าเราไม่มีทางนในชีวิตแต่บแล้วชีวิตของเราเป็นต้องคุยกันแล้วถ้าเรายังจะมีข้อสงสัยต่อคุรานนั่นน่ะนี้สําหรับคนที่ยืนยันว่าเป็นมุสลิมนะแต่ถ้าผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นมุสลิมว่าอ่นานั่นน่ะมาคุยกันใหม่ทเดี้มานัรมานับหนึ่งถ้ายืนยนว่เาเป็นมุสลิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่จะมีข้อสงสัย ธรรมดาข้อสงสัยนี่ก็ปักทิ้งก็ได้บางทีนี่บางทีเดินในบ้านนี่ก็มีอะไรว่าคนที่คิดมากกันนะเนี่ยโดยตีสองฮัลโหลเชฟตีสอง น, นะนะมึงเห็นอะไรแบบนี้เนระือม ไม่ต้องนอนสิที่สองอ่ะและ้วก็คนตัน้งแต่เฉตอ น, นี่กำมังเล่นงานเชฟสิไปพอให้คนนูน่นเน่พระประแดงคนนู่นอ่ะสุราช ธ, ธานีนี่โทมากันสีห่หคนเ น, น, นี่ยในเฉตานี่เฉตอ น, นี่มันมันตันน้งใจเล่นงานผมจะไหกแต่ประพวกนี้เนะ่เชฟผมเห็นทำไม่เลยเดียวให้มันไปนี่เวลามันผ่านอย่างเงี้ยเป็นอมไรผานไหมเปล่า เวลาผ่านมันไม่รู้สึกตาบอดไม่เปล่าเวลาผ่านมันยังไงรู้สึกอะไรไม่เปล่าแล้วต้องการอะไรอ่ะอะไรนะเล่นโดนโทรมาจริงไหมไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องอื่นเรื่องไอ้เรื่องลบมืดเนี่ยบอกเยอะเยอะตีหนึ่งตีสองนี่นี่เยอะแต่ไม่ใช่เรื่องแบบนี้ไอ้เรื่องอื่น ว่ามีมีอย่างนี้บางเรื่องอะนะคนที่เขาไม่เคยอันนี้ที่ที่เจอบ่อยอยคนที่เขาไม่เคยเจอหยินนี่ก็หมายถึงว่าฝันร้ายหรือเจออะไรในฝันทําให้เหงื่อออกแล้วก็ตัวแข็งนิดนึงอะไรนิดหนึ่งบางคนไม่เคยเจอในชีวิตไงแล้วก็กัวงวลก็โทรมาอะไรเ ง, งี้ยมาณนี้แต่บางทีน่ะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้แต่เขาไม่เคยเจอในชีวิตไงก็จะโทรก็จะโทรมาปรึกษาแต่ยิ่งเรื่องมันเรื่องเล็กน้อยนิดเดียว ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนี่ทุกป็นธรรมดาให้มันผ่านไปเอามเห็นอะไรเงาดํานี่มันปุ๊บมันพุ่บบบบบบไปช่างนะเราต้องเข้าใจนะยินนี่มันมีทุกที่อยู่แล้วนะยินนี่มีทุกที่แล้วเนี่ยไม่น่าเนี่ยอาจจะเป็นก็ได้นะไม่แน่นะ <c oughs> มีทุกที่เลยยินนี่มีทุกที่มาแล้วก็มีทุกที่ยินนี่นะยินเนี่ยบางที่เนี่ยมันไม่รู้ตัว เวลามันจะแปลงร่างจะอะไรเนี่ยมันนึกว่าไม่มีใครอยู่มันนึกว่าไม่มีใครอยู่มันก็ชอบแปลงร่างแปลงร่างเล่นๆนะความสามารถของตัวเองเราม่มีความสามารถนี่โอ้โหเป็นนัก ออกกำลังกายใช่ไมนึกอยากจะออกกำลังกายในห้องนอนในห้องรับแขกเราอยากจะแสดงอิจฉีวิตของเราใช่ไหมอันนั้นมนุษย์จะยินก็บแปลเนี่ยมันมีความสามารถของมันเนี่ยนะเออมันอยู่ในบ้านมันอยู่ทุกที่ไงเฮ้ยฉันเดี๋ยวจะแปลงร่างเป็นตัวดํานะพึกไม่รู้ว่าเรากำลังเดินในบ้านอยู่บังเอิญเราก็ไปเห็นมันช่วงที่มันกําลังแปลงร่างมันไม่ได้ตั้งใจเราเห็นมันก็อําเห็นคน บางคนบอกว่าเช็คไปคูโบนี่ไปเยี่ยมคูโบนี่เคยเจออะไรตัวเล็กๆนี่มันวิ่งไปเลยออมึงเจอแล้วก็รู้สึกอะไรมารู้สึกขึ้นใช่ไหมขี้ไหลไหมปากไม่มีอะไรก็ช่างมันยินนี่มันมีทุกที่เห็นอะไรนี่ก็อย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมยกตัวอย่างนะข้อสงสัยในชีวิตเนี่ยข้อสงสัยในฮาดิษในกุษุนในอะไรเนี่ยก็ส่วนตัดไป มีคำต้องอังเก็บไว้กองไว้ก่อนกองไว้ก่อนดูว่างๆดูค่อยถามช็้ดูว่างๆดูค่อยเรียนดูว่างๆดูค่อยศึกษาว่างๆดเค่อยหาคำตอบโอราะทำไมอ่ะเพราะเราเนี่ยอีมามันเป็นภูเขาลูกใหญ่มากถ้ามีคนเตาก้อนหินหนึ่งดูกูจะทํำลายภูเขาลูกนี้ให้ได้นี่ปิงภูเขาต้องมองอะไรนี่จะกระจีอีมาเขาเปียบเสวยภูเขาลูกหนึ่ง ท่าข้อสงสัยนี้มนันอีนิดนึงเนี่ยแล้วเราทําตรีส า, ายนี้แสดงว่าเราไม่จุดภูเขาแสดงว่าเรามีปัญหาแน่นอนในความหนักแน่นของอิมัลถึงบอกว่าเอา้าแต่เรายังเชื่อ่เป็นมุสลิมนี่ง่งภูเขานี่ยังอยู่นี่ไงตกลงเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมนี่นะ่ะภูเขาท่านยังเป็นภูเขาอยู่อย่าให้ข้อสงสัยเล็กเล็กนี้เนะี่ยสะเทือนภูเขาลูกนี้ทายังไงปปัดไปัดไป ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวใครเอามามาถามอเอามาสืบจังก็ได้แต่นี่จะวงหนูโอ้ยเกิดขอสสัยฉันมีข้อสงสัยนี่แสดงว่าอิมัลกันเนี่ไม่ได้น บ, บีถึงบอกก่าคนที่มาสงสัยมาว่ากันท่านน บ, บีน บ, บีครับบางทีเนี่ยสมองเราหัวใจเราเนี่ยคิดอะไรบางอย่างนี่ถ้าเราพูดมานี่นะขอให้เรานี่นะถูกโยนจากบุกเขาลูกหนึ่ง ตกเหวตายเนี่ยดีกว่าจะเอ่ยเรื่องนี้แสดงว่าที่คิดนี่มันเป็นเรื่องร้ายแรงมากและมีตอบยป็นไงรู้แดร์ีกับสวีคออมานีน่และคืออีมานที่แท้จริงอีมานที่แท้จริงนี่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในสมองในหัวใจนี้ไม่เป็นไรแต่การที่เรารู้ว่ามันเลวร้ายแล้วไม่กล้าเผยมันนี่นะแสดงว่าเรายังหนักนั่นเรายังมีอีมานที่แข็งแกร่ง นบีจึงให้กำลังใจในพลังที่อยู่ในหัวในในหัวใจของเราที่มันมีอยู่แล้วจริงถึงบอกกับพี่้องว่ากุฎอ่านนี่นะจึงเป็นขุมทรัพย์ที่เราจะต้องยึดมั่นตลอดเวลามันมีในชีวิตของเรากุฎอ่านนะ น, นะไม่ใช่ตัวสำมูนนะคำว่าคำสองสองอันนี้มันมีเราไปหากุฎอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แสดงว่าเรามีที่พึ่งตลอด มีปัญหาอะไรเกิดข้อสงสัยไม่ต้องเจอคําตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยท่นนี้โดยตรงนะไม่เอากุทอ่านมาอ่านเยอะๆนะโดยข้อสงสัยนี่มันก็สลายไปเองเราเกิดมีความอยากที่จะทําความชั่วบางอย่างรู้สึกว่าทนไม่ได้ละพยายามเอากุทธ อ, อ, อ่านมาฟังพุทอ่านมาอ่านพุทอ่านเนื้อเดี๋ยวเรื่งองเรื่องความอยากนี่มันก็จะหายไปเองชิฟาอุลลิมาบิสตู บำบัดสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจอุลามาบอกว่าชาวาความใข่ความอยากกิเลสต่างๆสุบูฮตข้อคุมเคือข้อสงสัยเรื่องที่เชตอนต้องการบิดเบือนศาสนาให้เราได้บัณทอนความหนักแน่นของ إ ม م านสุบูฮตและก็ชาวะซึ่งคนที่มีชาวะเรื่องกิเลสเนี่ยส่วนมากเป็นมูลของการทําบาปเล็กและบับใหญ่ ชุบุฮาตข้อสองสยัยและสิ่งคุ้มเคือเกี่ยวกับเรื่องหลั ก, การศาสนาส่วนมากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเป็นมุนาฟิกและตกศาสนานี่สองอยา่างอุรตรสามารถรักษาโรคสองชนชาาิดนี้ชาฮวาตและกชุบูฮาตตั้งใจว่าจะอุดรักษาเรืรร่องโรคมืดตัง้งแต่ที่ตีแล้วนะและพยายาม จะสามารถที so, ่จะวัดนี้ได้ยางที่บอกกไปนงว่าอันนี้นี่มันเป็นหัวข้อที่องสูงระยูสุดใช้เวลานกาศึกษาอย่างนี้นานหน่อยเนี่ยก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องเบื่อนะอาทิตย์หน้าอัญชลลจะมาพูดต่อเรื่องชีพะลิมาลสูรบัมบั้สิ่งที่อยู่ในหัวใจก็คืออิทธิพลของเชตตอนมาได้และยินโดยเฉพาะ แผนและอุบายของเชตรนละอินโดยเฉพาะด้านเสส็จสารพูดถึงเรื่องกสิบกระาดเรื่องวิสวาสเรื่องกรสิบกระาดสร้างความสุขอันนี้ก็เป็นผลงานของเชตรนละอินแต่ผลงานของเชตรนละอินด้านรคมดืดก็คือเข้าไปอยู่ในตัวเรานี่จริงๆเลยเนี่ยหรือเข้าไปอยู่ในตัวเราโดยนํามาทําอ่ะเข้าไปอยู่ในตัวเรานี่หมายถึงว่าคุมประสาทของเราเลย หรือโดยนามาทานี <c oughs> ่หมายถึงว่าคุมกิเลสของเรานอกจากว่านักสู้เราที่มีกิเลสนะมันจะยังมีเชตตอนที่จะมากำกับกิเลสอีกทีนึงกุรอ่านก็เป็นบําบัดรักสัจธรรมนี่เช่นเดียวกันก็ขอฝากไว้กับเพี่น้องเพื่อนทุกทาลมมันจะมีคำถามไครับเหมือนาเขาบอกความรู้จักลูกไม่ได้เอาศาสนาล้ พ่อพอแม่เขาเสียชีวิตก็ไม่จัดการที่ที่ถกพ่อกับแม่ที่เป็นมุสลิมตามหลักการนะแต่เป็นคำศัพเขาในวิธีของศาสนอื่นเดิมไม่ได้ม้สลกเดิมไม่ได้มุสึกมหมายถึงว่าเิมมเป็นมุสลิมแต่ลูกอับแม่เอาต่างกัเอออแล้วก็ลูกเขาเขาไม่จัดการศพไม่าำมุสลิมอะไรไม่รูก่รู้อะไร พอกับแม่ไปไปเผาครั้งนั้นที่เขาเดินไปรู้สึกครับโ อ, อก้กรณีอย่า ง, งเงี้ยครับที่พ่อสงสัยเขาเป็นลูกคนเดียวอันนี้เขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มนะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ ว, ลวเราพ่อสงสัว่าตัวพ่ อ, อแม่เขาเป็นโดนอะไรไหมว่าในในการนี้ถูกเอาไปเผาศพนี่อาจจะไม่บาปแต่ต้องไปรู้ว่าแล้วเขาเลี้ยงลูกยังไงถ้าการเลี้ยงลูก เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้ลกูลกเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีสว่วนส่วนบางเพรบางทีนี่พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไม่เอาไหนเรื่องศาสนาก็มีลูกเกิดมาไม่ไ ม, ไม่ไม่เชื่อศาสนานหรือแบบไม่เอาศาสนานหรือเมื่อนายกับศาสนานี่บางทีก็เป็นผลงานของพ่อแม่เหมือนกันก็ต้องไปดูเรื่องนี้ด้นครับมีถามว่าแจ็คแทนหรือรว่ารควานขึ้นอิเล็กโคนิการะ ลองไปถามเอไอดิผมว่าเอไอนี่ตอบไม่ได้ผมว่านี่ทำได้ทำได้มันทำยังไงอะเอ๊ะมันทำยังไงัยังไงอะก็รุกย่าเหมือนกันเคยไปรักษาเคยไปรักษาเคสหนึ่งโรคมืดก็จะเปิดสูตรบอกะรับเขาบอกว่านี่ผมมี ยุคที่เป็นใช้เทปะนะแต่ก่อนนี่มันยังงี้นะคอนเดคสเตอริโอตอนนี้ผมซื้อมาใหม่กเ็เปิดเปิดเทปบกอรไม่เสียงไม่ออกมันไม่หมุนนะ่ะเทปแต่ก่อมันหมุนมันไม่หมุนทำยังไงก็ไม่หมุนอ้าทดลองเทป อ, อื่นหมุนเปิดเพลงหมุน นี่อยอพรเปิดีไม่หมุนก็เลยต้องอ่านลูกยาอ่านใส่ใส่เครื่องนะนะมันก็หมุน